อิทธิฤทธชนิดอริยะและชนิดอนาริยะบาลีอีกแห่งหนึ่งชี้แจงเรื่องอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆว่ามีสองประเภท ค, คือ 1. ฤทธิ์ที่ไม่ใช่อริยะคือฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะยังมีอุปธิคือมีกิเลสและทําให้เกิดทุกข์ได้ได้แก่ฤทธิ์อย่างที่เข้าใจทั่วๆไป ดังได้บรรยายมาข้างต้นคือการที่สมณะหรือพรามคือนักบวชผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญเพียรจนได้เจโตสมาธิลาแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นแปลงตัวเป็นคนหลายคนไปไหนก็แหวกทะลุฝาทะลุกำแพงไปเผินฟ้าดำดินเดินบนน้ำเป็นต้น 2. ฤทธิ์ที่เป็นอริยะคือฤทธิ์ที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะ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 เรื่องฤทธิ์สองประเภทนี้ยอมย้ำความที่กล่าวไว้ข้างต้นให้เห็นว่าอิทธิปาฏิหาริย์จำพวกฤทธิ์ที่เข้าใจกันทั่วไปซึ่งทำอะไรได้ผาดแผงพิสดารเป็นที่น่าอัศจรรย์นั้นไม่ได้รับความยกย่องในพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาฤทธิ์ที่สูงส่งดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาคือฤทธิ์ที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ใคร ได้แก่การบังคับความรู้สึกของตนเองได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของตนได้ซึ่งผู้ได้ฤทธิ์อย่างตนอาจทำไม่ได้บางครั้งจึงหันไปใช้ฤทธินั้นเป็นเครื่องมือสนองกิเลส ข, ของตนตรงข้ามกับฤทธิ์อย่างที่สองที่เป็นเครื่องมือสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสมีให้จิตใจถูกล่อไปในอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะ ดูวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเช่นนี้ได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่2 2่ิอรือประเภทนี้เป็นพวกเมตตาเจโตวิมุตตซึ่งถึงขั้นเป็นสุภาพวิโมกเกิดจากเจริญโพชงประกอบด้วยเมตตาก็ได้เป็นผลของการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ได้เป็นผลของการเจริญสมาธิก็ได้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่19กบางแห่ง เรียกผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้ว่าอริยชนผู้เจริญอินทรีย์แล้วจากพระไตรปิฎกเล่มที่14การที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารแก่ชาวบ้านก็เป็นหลักฐานยืนยันถึงการที่ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหารจากวินัยปิฎกเล่มที่เจ็ดอัถาอธิบายว่า ทรงห้ามแต่วิกุปพนาฤติคือฤทธิ์พันแผกคือเปลี่ยนจากรูปร่างปกติเช่นแปลงตัวเป็นต่างๆเนรมิตให้เห็นสิ่งต่างๆพูดแต่ไม่ให้เห็นตัวให้เห็นตัวท่อนเดียวเป็นต้นไม่ห้ามอธิฐานฤติเช่นอธิษฐานตัวเป็นหลายคนเดินน้ำดำดินเป็นต้นแต่คาอธิบายนี้ดูไม่น่านิยมเมื่อว่าตามรูปศั์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 โดยถือความหมายอย่างนี้คำภีปฏิสัมพิธามักได้แปลความหมายปฏิหารทั้งสามนั้นออกไปให้เห็นเพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่งคือกล่าวว่าคุณธรรมต่างๆเช่นเนคข ม, มะเมตตาฌานอนัตตานุปัสนาตลอดจนถึงอรหัตมักเรียกว่าเป็นอิทธิปฏิหารได้ทั้งนั้นโดยความหมายว่าสำเร็จผลตามหน้าที่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 ธรรมะข้อนั้นๆควรปฏิบัติควรฝึกอบรมควรเพิ่มพูนควรตั้งสติให้เหมาะอย่างไรเป็นต้นคำอธิบายอย่างนี้แม้จะไม่ใช่ความหมายอย่างที่ใช้ทั่วไปแต่ก็เป็นความรู้ประกอบที่น่าสนใจดูได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่ส1บเอ็ดดังเด็กล่าแล้วข้างต้นว่าอิทธิปาทิหารเป็นโลกิยะอภิญยาอย่างหนึ่ง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 โทษแก่ปุถุชนที่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องริดสำหรับปุถุชนริดอาจเป็นโทษได้ทั้งแก่ผู้มีริดเองและแก่คนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีริดปุถุชนผู้มีริดอาจจะเกิดความเมาริดอิทธิมทะเป็นพวกเดียวกับเมาความรู้เมาศีลเมาฌานเป็นต้นจากพระไตรปิฎกเล่มที่35ห้า ปุถุชนผู้มีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมาฤทธิ์ในลักษณะต่างๆเช่นเกิดมาณนะว่าเราทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้อย่างเรามีความรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นกลายเป็นอาสัตบุรุษไปหรืออาจเกิดความหลงไหลมัวเมาในลาบสการะที่เกิดจากฤทธิ์นั้นนำฤทธิ์ไปใช้เพื่อก่อความชั่วความเสียหายอย่างพระเทวทัตเป็นต้น อย่างน้อยการติดใจเพลินอยู่ในริ์นั้นก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปไม่อาจชำระกิเลสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้และเพราะริ์ของปุถุชนเป็นของเสื่อมได้แม้แต่ความห่วงกังวลมัวยุ่งกับการรักษาฤทธ์ก็กลายเป็นปริโโธด์คืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามวิธีของวิปัสสนาอย่างได้ผลดี ท่านจึงจัดเอาฤทธิ์เป็นปราริพ ooth อย่างหนึ่งของวิปัสนาเรียกว่าอิทธิปราริพ o o t ซึ่งผู้จะฝึกอบรมปัญญาพึงตัดเสียให้ได้ส่วนปุตุชนที่มาเกี่ยวข้องกับผู้มีฤทธิ์ก็มีทางประสบผลเสียจากฤทธิ์ได้เป็นอันมากผลเสียข้อแรกทีเดียวก็คือคนที่มาเกี่ยวข้องอาจตกไปเป็นเหยื่อของผู้มีฤทธิ์หรือหลอกลวงว่ามีฤทธิ์ซึ่งมีกุศลเจตนา นำอริตมาเอ่ยอ้างเพื่อสแสวงหาลาบสักการะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีข้อพึงสังเกตว่าตามปกติผู้มีฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบจะใช้ริธในกรณีเดียวเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพื่อเป็นสื่อนาไปสู่การแนะนาสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องคืออนุสาสนีปฏิหารถ้าไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการแนะนาสั่งสอนรำแล้ว ผู้มีฤทธิ์จะใช้ฤทธิ์ทำไมนอกจากเพื่อผูกคนไว้กับตนเป็นสะพานทอดไปสู่ชื่อเสียงและลาภผลแต่อย่าลืมว่าการตั้งใจใช้ความประพฤติศีลละวัดเป็นเครื่องชักจูงผูกหมู่ชนไว้กับตนเพื่อผลในทางชื่อเสียงความยกย่องสรรเสริญหรือลาภก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงติดเตียนมากเช่นเดียวกันดังนั้นจึงควรยึดถือเป็นหลักไว้ทีเดียวว่า การใช้อิทธิปาฏิหาริย์จะต้องมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามมาด้วยถ้าผู้ใดอ้างหรือใช้อิทธิปาฏิหาริย์โดยไม่ใช่เป็นเพียงบนไดาที่จะนำไปสู่อนุสาสนีปาฏิหาริย์พึงถือไว้ก่อนว่าผู้นั้นปฏิบัติผิดในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เขาอาจมีอกุศ ล, ลเจตนาหลอกลวงมุ่งแสวงหาลาภสกาวระหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้มัวเมาหลงไหลเข้าใจผิด เรื่องอิทธิปฏิหารนั้นหลักการนี้ผ่อนลงมาใช้ได้แม้กับพฤติการเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ของคลังสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั่วไปโดยอาจให้ยึดถือกันไว้ว่าผู้ใดนําเอาของคลังสิ่งศักดิก์สิทธิ์หรือสิ่งลึกลับต่างๆมาใช้ในการเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยไม่ได้นําประชาชนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในธรรมมิได้ต่อท้ายของคลังเป็นต้นนั้นด้วยการแนะนําสั่งสอนให้เกิดปัญญา คือความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความจริงความดีงามที่ควรรู้และควรประพฤติปฏิบัติเพื่อช่วยนำเขาให้ค่อยๆก้าวผลเป็นอิสระออกไปได้จากของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพึงถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติผิดและนำประชาชนไปในทางที่ผิดของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนานาจลึกลับนั้นรวมถึงสิ่งที่ท่านเรียกว่าติรชานวิชาบางอย่างด้วย ติรชานวิชาคือวิชาที่ขวางต่อทางสวรรค์นิพพานหรือวิชาภายนอกที่ไม่เข้ากับจุดหมายของพระศาสนาโดยมากเป็นวิชาจำพวกการทํานายทายทักและการรักษาโรคต่างๆซึ่งจะจัดเป็นความบกพร่องเสียหายในด้านศีลหากภิกษุนำมาใช้เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพหรือหาลาบสการะติรชานวิชาเป็นคนละอย่างกับอิทธิปาฏิหาร รี่รชานวิชามาในพระไตรปิฎกเล่มที่9้าและกล่าวซ้ํำว่าอีกหลายสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9้านั้นมีศิกขาบทห้ามเรียนห้ามสอนในวินัยปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่สามอันหนึ่งแม้ในกรณีที่ไม่ได้ตกไปเป็นเหยื่อของผู้อวดอ้างฤทธิการไปมัววุ่นวายเพลิดเพลินหรือฝักฝ่ายกับอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลาย ก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วตั้งหลายแง่แง่ที่หนึ่งในเมื่ออิทธิปาฏิหารไม่ใช่สาระสําคัญของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนาไม่ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสการไปฝักไปในเรื่องเช่นนี้ย่อมเป็นการพราเวลาและแรงงานที่ควรใช้สาหรับการปฏิบัติธรรมให้หมดไปในทางที่ผิด แง่ที่สองคนที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้อ้างฤทธิ์หรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมุ่งเพื่อไปขอความช่วยเหลือหวังอำนาจโดนบันดาลให้เกิดโชคลาภเป็นต้นการปฏิบัติเช่นนี้ยอมไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาดกิริยาวาดและวิริยาวาดสอนให้คนหวังผลสำเร็จจากการลงมือทาด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล การมัวหวังผลจากการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากอำนาจดลบันดาลอาจทำให้กลายเป็นคนมีนิสัยเฉื่อยชากลายเป็นคนงอมืองอเท้าอย่างน้อยก็ทําให้ขาดความเพียรพยายามไม่รีบเร่งลงมือทําสิ่งที่ควรจะทําไม่เร่งเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นขัดกับหลักความไม่ประมาทนอกจากนั้นถ้าจะฝากฝ่ายกับอิทธิปาฏิหาร ก็ควรฝึกตนให้ทำปฏิหารนั้นได้เองจะดีกว่าแต่ก็ยังขัดกับหลักการแง่ที่หนึ่งข้างต้นอยู่ดีเพราะการฝักไฟหวังผลจากอิทธิปฏิหารของผู้อื่นหรือจากอำนาจดลบันดาลทั้งหลายเป็นการพึ่งสิ่งภายนอกทำให้ชีวิตขึ้นต่อสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้นแทนที่จะอาศัยอำนาจภายนอกน้อยลงและเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นจึงอาจทำให้กลายเป็นคนมีชีวิตที่เลื่อนลอย มักเป็นอยู่ด้วยความเพ้อฝันเป็นคนขาดประสิทธิภาพขาดอำนาจและความมั่นใจในตนเองขาดตอหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พึ่งตนเองสอนให้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้หรือสามารถพึ่งตนได้และสอนมักคาแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งในขั้นสุดท้ายให้ข้ามพ้นได้แม้กระทั่งศรัทธาที่มีเหตุผล ไปสู่ความเป็นอยู่ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่ต้องอิงอาศัยแม้กระทั่งพระาศาสดาเริ่มต้นมค า, าจากการอิงอาศัยปัญญาสองนำขององค์พระาศาสดาผู้เป็นกัลยาณมิตรไปสู่การยืนได้ลำพังตนโดยไม่ต้องอาศัยการประครับประคองของพระาศาสดาอย่าลืมว่าหลักพึ่งตนเองเป็นตัวของตัวเองนี้ท่านให้สมดุลด้วยหลักการเคารพ หรือคาวราวะธรรมที่กล่าวแล้วในตอนก่อนและพึงสังเกตว่าผู้เป็นอิสระแล้วอย่างแท้จริงกลับเป็นผู้เชื่อฟังคำสั่งมีวินัยอย่างยิ่งการเชื่อฟังกับความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธามีแง่ต่างกันการเชื่อฟังหรือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีวินัยนั้นเกิดจากศรัทธาอย่างหนึ่งเกิดจากปัญญาอย่างหนึ่ง พระอรหันต์ปฏิบัติตามคำสั่งรักษาระเบียบวินัยด้วยปัญญา